ยาีเรียเรื่องคุณธรรมของครูมีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอยู่แห่งหนึ่งมีนักเรียนพันคนพอดี นัเรียนมีระเบียบวินยัยมีความรู้ความสามารถที่ประชาชนในละแวกนั้นกล่าวถึงอยู่เสมอๆและทุกคนก็ต้องการให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้มากเพราะเรียนเก่งมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนมีระเบียบวินยัย ที่ได้รับคำชมเชยให้เป็นตัวอย่างของจังหวัดเสมอทุกๆปีแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นมีนักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนนี้ไปลักขโมยสิ่งของถูกตำรวจจับได้ทำให้เสียชื่อเสียงของโรงเรียนมากนักเรียนทุกคนมีความเห็นว่าเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนสมควรจะไล่ออก เป็นโทษสถานเดียวเท่านั้นไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในอนาคตแต่ท่านอาจารย์ใหญ่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลานั้นกลับกล่าวว่าเผื่อเธอของนักเรียนทุกคนคนนี้เป็นการทำผิดเพียงครั้งแรกเท่านั้นพวกเราน่าจะให้อภัยเขาสักครั้งหนึ่งเธอ ครูขอเก็บไว้ทำการสอนให้เขาเป็นคนดีก่อนครูจะวากล่าวตัเตือนเขาเองให้เขาเห็นว่าเพื่อส่วนรวมและชื่อเสียงของโรงเรียนจะต้องช่วยกันให้กลับเนื้อกลับตัวและตั้งใจเรียนได้ทุกคนเห็นด้วยและก็ให้อภัยไม่ลงโทษไล่ออก แต่ต่อมาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนักเรียนทุกคนก็เห็นว่านักเรียนคนนี้สมควรถูกไล่ออกเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนถ้าไม่ไล่นักเรียนคนนี้ออกนักเรียนหลายๆคนชลาออกเองอาจารย์ใหญ่ก็กล่าวขออภัยแก่นักเรียนว่ามันเป็นความผิดของครูเอง ที่ยังไม่สามารถสั่งสอนสิทธิคนนี้ให้เป็นคนดีได้ขอเวลาให้แก่ครูสักครั้งและครูคิดว่าจะต้องสอนนักเรียนให้นักเรียนคนนี้รู้ดีรู้ชั่วไม่ทำตนเป็นคนเลวเช่นนี้อีกทุกคนพอใจและให้อภัยเป็นครั้งที่สองแต่เกิดครั้งที่สามตามมาอีกตอนนี้ นักเรียนทั้งโรงเรียนเดินขบวนและยื่นคําขาดให้ไล่นักเรียนคนนี้ออกถ้าไม่ไล่ออกพวกเรานักเรียน999คนจะลาออกหมดโรงเรียนแน่ๆอาจารย์ใหญ่กล่าวว่าเผ่อที่น่าสงสารคนนี้ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วครูขอเก็บไว้สอนก่อน ส่วนพวกเธอ999คนเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วแล้วจะลาออกก็ลาออกไปเพราะพวกเธอเป็นคนดีแล้วนักเรียนทั้งหมดได้ฟังก็ซึ้งน้ำใจของครู